เดือนต่อมามีจดหมายจากนายแพทย์โรงพยาบาลสิริราชถึงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามว่าภิกษุเจริญทิตะธรมโมที่มรณภาพด้วยโรคลำไส้เน่านั้นศพของท่านเผาไปแล้วหรือยังเก็บไว้ขอให้เจ้าอาวาชช่วยตอบ ด, ด่วนเจ้าอาวาชอ่านแล้วจึงเขียนตอบไปว่า พระเจริญยังมีชีวิตอยู่และได้หายจากโรคแล้วโดยฉันยาเทวดาเหตุที่สมภารท่านเป็นคนใจร้อนจึงขอให้ในายหล่อเป็นผู้ไปส่งจดหมายแทนการส่งทางไปรษณีย์ผลปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นนายแพทย์ผ่านนักศึกษาแพทย์มาเต็มคันรถบัสเพื่อมาดูมนุษย์มหัศจรรย์พวกแม่ชีต้องช่วยกันหุงหาอาหารมาเลี้ยงดู บังเอิญแม่ยายของนายแพทย์ผู้นั้นก็ป่วยเป็นโรคลำไส้เน่ามานานลูกเขยคนดีจึงขอจดตำรายาไปเพื่อปรุงให้แม่ยายกินครั้นจะผ่าตัดให้ก็เกรงจะไม่ปลอดภัยเพราะอายุมากแล้วเพรา ะ, จะเจริญมั่นใจว่าแม่ยายนายแพทย์จะต้องหายจากโรคเช่นเดียวกับท่าน มีอันต้องพังลงทุกวันจนเกือบจะถึงสาลาการปเรียนเมื่อก่อนหาดทรายกว้างขวางยาวยื่นออกไปในแม่น้ําเจ้าพระยาแต่เพราะผูวราชการจังหวัดให้สัมปทานเรือดูดทรายมาดูดทรายหน้าวัดไปขายจึงทําให้ตหลิ่งสุดและพังเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นไม่ได้การหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปสาลาก็จะพังญาติโยม ก็จะไม่มีที่สำหรับใช้ปฏิบัติกรรมฐานท่านจึงขอให้ในายหล่อพาไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเจรจาขอให้ยับยั้งการดูดทรายบริเวณหน้าวัดท่านพูว่าอาตมาขอบินทบาทเถินนะวัดจะพังอยู่แล้ว เลิกดูดสายได้ไหมสมภารพูดกับผู้ว่าอย่างตรงไปตรงมาพังท่านก็ย้ายวัดไปสิคือคำตอบของคนเป็นเจ้าเมืองพระเจริญต้องกำหนดโกรธหนอโกรธหนอแล้วจึงพูดต่อท่านพูดง่ายๆมันไม่ใช่ม้วนเสือจากตรงนี้แล้วไปปูที่จวนท่านนี่นาะ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 ลูกหลานจะได้มีทิ้งคว้างในยามชรานั่นคือเหตุผลอาตมาเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าท่านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมเอาละเมื่อท่านไม่ทำตามที่อาตมาขอร้องอาตมาก็จะกลับละแต่ขอเตือนท่านไว้ก่อนว่าเวนกรรมนั้น มีจริงสักวันกรรมของท่านจะต้องปรากฏผมไม่กลัวหรอกครับถ้าจะกลัวก็คงกลัวจนอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่กลัวปุรุดผู้มืดบอดพูดด้วยอวิชาขณะที่นั่งมาในรถนายหล่อเป็นคนชวนคุยขึ้นก่อนเพื่อไม่ให้หลวงพี่หงุดหงิดมากไปกว่านี้ อีตาผู้ว่าคนนี้ไม่เอาไหนเลยนะครับลุงพี่เห็นแกตัวอย่างร้ายกาจไม่รู้เป็นผู้ว่ามาได้ยังไงทำไมเมื่อกี้เองไม่ถามเขาล่ะมาถามข้าข้าจะไปรู้ได้ยังไงสมภารแกล้งยวนเพราะอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ผมนึกว่าลุงพี่รู้ถ้ารู้ว่าไม่รู้ก็คงถามแกไปแล้ว สามีแม่ประยงยวนบ้างจะกลับไปถามไม่ละ่ะแต่ข้าไม่ขึ้นไปด้วยหรอกนะจะขอรออยู่ในรถไม่เป็นไรหรอกครับถึงผมไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคนเห็นแก่ตัวพันนั้นผมไม่อยากสนใจว่าแต่ว่าทําไมหลุงพี่ถึงได้กล้าพูดกับแกและว่าสักวันกรรมของแกจะปรากฏคนชื่อหล่ออยากรู้ เพราะข้าเห็นกฎแห่งกรรมของเขานะสิเอ็งจำไว้นะหลอคนที่ชอสงบังศาสตร์ชอราดบังหลวงนะ่ะกรรมให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้เลยเทียวเรียกตามภาษาพระว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมหมายถึงกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ ถ้าให้ผลในชาติหน้าเรียกว่าอุปปชะเวทนยกรรมลุงพี่ถแถลงขบังเอิญผมไม่ค่อยถูกกับภาษาพระสักเท่าไหร่เอาภาษาครืหัดไม่ดีกว่าหรือครับนายหล่อชักจะเวียนหัวบังเอิญข้าก็ไม่ค่อยถูกกับภาษาครืหัดสักเท่าไหร่เหมือนกันพระหนุ่มตั้งใจยั่ว งั้นผมว่าเรายุติการสนทนาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านิมนต์หลวงพี่พักผ่อนเถอะครับส่วนผมจะขับรถด้วยความตั้งใจคนเป็นขรือหัดตัดสินเหตุนี้การสนทนาจึงยุติลงกระทั่งรถเล่นมาถึงวัด จริงดังที่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้พูดไว้พระวันพระถัดมาท่านก็ได้ทราบข่าวจากญาติโยมว่าเจ้าเมืองสิงห์บุรีได้รับอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำศีรษะฟาดกับโถสซ่วมเส้นเลหิดในสมองแตกและเป็นอัมาพาตในทันทีพระเจริญรู้สึกสังเวชใจท่านรู้ว่านั่นเป็นเพราะกรรมที่เกิดจากการกระทาของตัวเขาเอง มิใช่ผู้อื่นทําให้เลยข้อนี้มีพระพุทธวจนะรับรองไว้ชัดเจนว่าอัตนาวะกะตังป่าปังอัตนาสังกิริสติอัตนาอากตังป่าปังอัตนาวะวิสุทธิชติสุทิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญยังวิโสเทเย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 คุณนายสายบัวได้มาที่วัดพร้อมบุตรชายคนโตชื่อร้อยโทกอบบุญดิฉันจะให้ลูกชายมาบวชที่วัดนี้เจ้าค่ะนางบอกวัตถุประสงค์ของการมาทำไมไม่บวชที่ลบบุรีล่ะจะได้ไปบินทบาทที่บ้านได้ท่านถามบุรุษวัยสามสิบเศษคุณแม่อยากให้บวชที่วัดนี้ครับที่มาบวช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 เมื่อโยมจะให้ลูกบวชที่วัดนี้อาตมาก็ไม่ขัดข้องแต่บวชแล้วจะได้บุญหรือได้บาปก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเพราะอาตมาเป็นแต่เพียงผู้แนะนำสั่งสอนส่วนการปฏิบัติต้องอยู่ที่ตัวเขาท่านมองหน้าชายหนุ่มและรู้ได้ในทันทีว่านอกจากไม่ศรัทธาแล้วเขายังมีอกุศลติดมาแต่ชาติปางก่อน โดยเฉพาะอากุศลข้อกาเมสุมิชชาจาร์หากเขาจเจริญกรรมฐานอย่างเคร่งครัดก็จะตัดเวรตัดกรรมได้แต่ในเมื่อเขาไม่มีศรัทธาก็จะประพฤติในทางตรงข้ามท่านแอบตำหนิติชินในใจว่าโถเอ้ยอุตสาชื่อกอบบุญแต่ไม่สำเนกในบุญกุศลเลยชื่อกอบบาปยังจะดีเสีย ก, กว่า บวชแล้วพระกอบบุญก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานได้แต่นั่งกินนอนกินให้หมดไปวันๆร้ายไปกว่านั้นคือที่กุติมีสีกาเข้าๆออกๆไม่เว้นแต่ละวันเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกอิดหนาระอาใจในความประพฤติของพระลูกชายคุณนายสายบัวแรกๆก็ไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือนเพราะเกรงใจคุณนาย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 ผมขอร้องเถิดนะเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเสียทีนึกว่าเห็นแก่พระาศาสนาเถอะผมทำผิดอะไรหรือครับสมภารบุรุษนุ่งห่มกาสาวพัดย้อนถามนึกช่งน้ำหน้าสมภารรูปนี้ตั้งแต่วันแรกที่พบหากไม่กลัวว่ามารดาจะตัดออกจากกองมรดกก็คงไม่ยอมโบวถอยู่ที่วัดนี้กอด่านกำลังทำอะไรอยู่ล่ะ ยังจะมาถามหรือว่าท่านมืดบอดถึงขนาดแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วดีหรือชั่วมันก็ของสมมุติทั้งนั้นแหละครับผมไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งนั้นพูดราวกับว่าตัวเองบริสุทธิ์ดุจพ้นแล้วแสดงว่าท่านไม่เชื่อเรื่องกรรมใช่ไหมไม่เชื่อว่าทําดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วอย่างนั so ้นใช่ไหมแล้วอย่างนี้จะมาบวชทําไมก็ผมบอกท่านตั้งแต่วันแรกแล้วว่าผมไม่ศรัทธาที่จะบวชแต่เพราะโยมแม่ขอร้องก็เลยต้องตามใจเขาคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองว่าเขาไม่นิมนต์ให้สมภารนั่งให้ยืนพูดอยู่อย่างนั้นพอเมื่อขาหนักเข้าท่านก็จะได้กลับไปให้พ้นหูพ้นตา ในเมื่อตามใจก็ต้องทำให้ได้ตลอดสินี่ถ้าโยมแม่ท่านรู้จะเสียใจขนาดไหนเลิกประพฤติเหลวไหลเถิดนะไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเวรเป็นกรรมกับตัวท่านเองขืนไม่เลิกจะต้องถูกกฎแห่งกรรมลงโทษท่านผิดมากรู้ไหมเป็นพระทำอย่างนี้ได้อย่างไรโยมก็เหมือนกัน ท่านหันไปพูดกับสตรีผู้นั้นขอโทษนะที่อาตมาต้องพูดตรงๆโยมก็มีลูกมีสามีแล้วไม่ใช่หรือทำไมถึงทำอย่างนี้ละ่ะลูกผัวก็อยู่ส่วนลูกผัวสิจ้สมพานตัวใครตัวมันอะไรที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันก็จะทำหล่อนพูดอย่างไม่ยิ้มละ จริงอย่างที่น้องตุ่มเขาพูดนั่นแหละครับสมภารผมกับเขาตกลงกันแล้วเราต่างพอใจซึ่งกันและกันแล้วมันจะผิดตรงไหนใช่ผู้หลงผิดว่าผิดตรงที่ต่างคนก็ต่างมีเจ้าของน่ะสิอย่าลืมนะศีลข้อกาเมสุมิชชาจารหากใครละเมิดจะต้องได้รับกรรม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 การจูงจับสมณะผู้ทรงศีลบริสุทธ์นั้นเป็นกรรมดามีวิบากดําเอาละไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขอให้จําไว้เลยว่าคนที่ผิดศีลข้อกาเมตายไปจะต้องปีนต้นงิ้วสมพานพูดกโกรธทั้งยังตั้งใจไม่กําหนดโกรธหนออีกด้วยอย่าห่วงเลยครับสมพาน ผมจะเอาเลื่อยไฟยฟ้าใส่ลงไปด้วยเอาไว้เลื่อยหนามนิ้วพระร้อยโทกลับเห็นเป็นเรื่องสนุกคนที่เห็นกองจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีย่อมไม่มีจิตสํานึกในบาปบุญคุณโทษดังเช่นหญิงชายคู่นี้พระเจริญคร้านที่จะต่อปากต่อคํากับคนทั้งสองจึงคิดว่าจะกลับกุติเพราะยืนพูดมานานจนรู้สึกเมื่อย บุรุษหนึ่งเดินตรงมาอย่างท่านครั้นถึงก็ก้มลงกราบสามครั้งแล้วลุกขึ้นยืนพูดกับสมพานว่าท่านครับผมมาตามเมียนางผู้หญิงคนนี้เป็นเมียผมมันลักลอบเป็นชู้กับไอ้พระคนนี้ตั้งแต่ไอน้นี่ยังไม่ได้บวชเขาชี้หน้าคนทั้งสองระ ว, วังปากหน่อยเดี๋ยวจะกินน้ำพริกไม่ได้ร้อยโทผู้ครองผ้าเหลืองพูดโกรธ ส่วนคู่ขาค้อนประหลาดเปลือกให้คนที่เป็นสามีที่ไม่ได้ตีทะเบียนกันก็ลองดูสินี่ถ้ากูไม่เกรงใจผ้าเหลือง<ๆ>ก็จะเลาะฟันมือออกมาสักสองสามซี่ไอคนหน้าด้านเที่ยวบันชูกับลูกเมียเขาไม่เลือกหน้าประพฤติชั่วแบบนี้น่าจะถูกไล่ออกจากราชการนานแล้วไม่รู้รอยนวนอยู่ได้ยังไงปูรุษผู้มาใหม่พูดด้วยโทสะแล้วเหมือนจะรู้ว่าเป็นการไม่สมควร จึงลงนั่งยองๆ ย, ยกมือประนมพูดกับสมพานว่าผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่านมันเหลืออดเหลือทนจริงๆไอ้คู่นี้มันคงเป็นสัตว์นรกมาเกิดถึงได้ทำชั่วช้าลามกไม่เลือกแม้ในวัดในวาดูนางนี่มันแต่งเนื้อแต่งตัวสิก็รีชัดๆเขามองคนเป็นเมียผู้หญิงผิวคล้ำจัดย้อมผมสีแดงหน้าตามีไฝ ฟ, ฟ้าใส่เสื้อผ้ารัดรูป จนเห็นร่องรอยของก้นเหี่ยวๆในสายตาของพระกอบบุญหล่อนดูเซ็กซี่หากในสายตาของสมณะหล่อนคือซากศพช่างเขาเถอยมเขาทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นอาตมาเองก็อ่อนอกอ่อนใจชัางไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาปกันเสียเลยโยมปรงเสียให้ตก เอาไว้ให้กดแห่งกรรมลงโทษเขาก็แล้วกันผมก็พยายามปลงแล้วครับท่านแต่มันก็ปลงไม่ตกสักทียิ่งคิดก็ยิ่งแค้นนางผู้หญิงคนนี้มันทำกับผมเจ็บแสบมากไม่รู้เวรกรรมอะไรของผมที่ไปได้ผู้หญิงโสเภณีมาเป็นเมียนึกว่ามันจะกลับเนื้อกลับตัวได้ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าสันดานผักเบีย้ยมันย่อมไม่ขึ้นร้าน ถึงจะทำร้านให้ดียังไงมันก็ไม่ไต่ขึ้นมาเหมือนนังนี่ผมอุดซาหอบหิวมันออกมาจากซ่องลูกติดท้องมาผมก็ยอมรับเป็นพ่อเลี้ยงดูเหมือนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของผมเองขนาดนี้มันยังไม่เห็นความดีของผมไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวเดี๋ยวแรดไปกับคนนู้นเดี๋ยวแรดไปกับคนนี้ไม่เลือกลูกใครผัวใครตอนนี้มาติดกับไอทหาร น, นี่ผมก็ขอร้องให้เลิกกัน มันก็ไม่ยอมเลิกหน้าด้านยิ่งกว่าถนนรถยนต์ผู้มาใหม่พูดอย่างข้างแขนก็มึงว่าเป็นเมียแล้วไหนล่ะทะเบียนสมรสน้องตุ่มเขาบอกไม่ได้จดทะเบียนกับมึงและจะมาว่าเป็นเมียได้ยังไงมาในร่างพระพูดแบบไม่อายปากมึงก็พูดหน้าด้านๆอย่างนี้ทุกทีแล้วมึงล่ะมีทะเบียนกับนางนี่หรือเปล่าเมียมึงที่จดทะเบียนกันนะ่ะทั้งสวยทั้งดี ทำไมมึงไม่รักเขาแต่กลับมาหลงนางผู้หญิงชั่วคนนี้หน้าตามันรึก็ดูไม่ได้ดำอย่างกี่อีกาคนไม่ได้ตีทะเบียนโต้กลับแล้วมึงละ่ะในเมื่อเขาชั่วเขาไม่สวยมึงตามมาหึงหวงเขาทำไมจริงไหมจ้าน้องตุ่มบุรุษไรยางอายเถียงข้างๆคูคูจริงจ้าหลวงพี่ สาวเนื้อหอมตอบเสียงอ่อนเสียงหวานพลางชะม้ายชายตาให้หลวงพี่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงสุดจะทนดูคนไร้ย่างอายทั้งสองประกอบกับยืนมานานจนรู้สึกเมื่อยจึงบอกชายผู้นั้นว่าเรากลับกันเถอะโยมอย่าไปสนใจคนคู่นี้เลยเขาพากันลงนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายปล่อยไปตามกรรมของเขาเถอะ พูดจบก็เดินกลับไปยังกุฏิที่พักบุรุษผู้มาใหม่ลุกขึ้นเดินตามไปอย่างง่อยๆกระนั้นก็ยังหันมาด่าคนทั้งสองว่าเชิญมึงสองคนแวกว่าอยู่ในทะเลกามกันต่อไปไปีนต้นงิ้วเมื่อไรแล้วจะรู้สึก